50 languages. ในโรงแรมการมาถึง Hotel v a r u g a คุณ okay, มีห้องว่างไหมคะ Inge, ungalidam ดิฉันจองห้องแล้วค่ะนอนวอร์อะไรพอดีบเสียดีกี่เรดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะเอนเปยร์มิลเลอร์ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะเยนักวอร์วตรัตรไทรอะไรเว้นดุมดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะเยนักวอร์อีรัตไทรอะไรเว้นดุม ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะโวลีเระวิรือระรอะไรอวอดกัยเยนดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะเยนักคือคุอ ร, ริยาลารียูดันวุ่นละโวลอไ ร, อรอเวนด์มดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะเย็นักคือชาวาลวุ่นละคุริยาลารอนรีเวนดม ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะนอนอะไรยี่ปาร์คกลาโมที่นี่มีโรงรถไหมคะงกคอร์ชิดอิริขิระดาที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ잉กปาดหอบเปตตัหม์เซฟอิริขิระดาที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะ 잉ก์แฟกซ์แมชินอิริขี่ระด้ดีดิฉันเอาห้องนี้ค่ะนั่นล่ะดุนนันอินดะอารายย์อิริทุคุลฮิเรนนี่กุญแจห้องค่ะอีโด้ซวิคลนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะอีโด้ยันปายนาพริติคล บริการอาหารเช้ากี่โมงคะกลางวันกี่โมงคะบริการอาหารกลางวันกี่โมงคะบ่ายกี่โมงคะบริการอาหารเย็นกี่โมงคะยี व व ่หรอวันกี่โมงคะ